เมื่อวานหลวงพ่อได้ต่อสายเข้าไปถามอาการอาภาษขององค์หลวงตาที่วัดปะบันตาดแต่หลวงพ่อไม่ได้หลวงพ่อก็อยู่ที่วัดนะแต่ต่อต่อสายเข้าไปถามท่านพระหมอท่านก็ให้ท่านรายงานรายละเอียดอาการอาภาษขององค์หลวงตาเมื่อคืนไม่ใช่คืนที่ผ่านมานะคืนก่อนนะั้น แต่วันคืนนี้หลวงพ่อยังไม่ได้ถามเ่ฉันจังหวัเสร็จเท่าไจะต่อสายถามอีกท่านบอกว่าประมาณสักสีห้าทุ่งวงหลวงตารู้สึกอึดอัดคล้ายนแน่นที่ท้องตั้งหมอก็เลยหมอเฉพาะที่หมอเวนสามหมอหมอศรีนัครินห้หมอศิริลาดหมอศิศรีนัครินและก็หมอโรงพยาบาลสูงอุดร พอมพยาบาลก็เห็นว่าคงจะมีน้ำในท้องก็เลยดูดอาสายยางดูดน้ำในกระเพาะออกมาได้ประมาณ8 0ดสแซีั้แล้วก็ยังก็ยังไม่หายแน่นก็เลยเปิดสายยางที่ขาไว้ที่ปอดก็เลยเปล่อยน้ำออกจากปอดอีก ได้ประมาณ400 400กวบ44อาการลงตากันเลยพักผ่อนได้เมื่อวานนี้แต่ก็ท่านอาการยังเหนื่อยอยู่มือวานนี้ก็รู้สึกว่าตอนใช้สายตอนนั้นขึ้นมาท่านก็ยังยังพักผ่อนก็ยังมองดูอะไรเห็นอะไรก็ยังรู้ว่าใครเป็นใคร แต่เมื่อคืนเนี่ยท่านก็บอกบอกให้หมอที่เขามาตรวจอะไรรักษาท่านท่านก็บอกโอ้ไปออกไวไปออกไปออกไปท่านอยางบอกให้ออกหมอออกอ่ะก็คือท่านสรุปแล้วก็คือท่านไม่อยากจะให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายลักษณะอย่างนั้นอ่ะพราะดงตาลเป็นนิสัยเป็นนิสัยออกมาจากใจของท่านความไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายนี แต่ให้แต่ไรมาเพราะนั้นเห็นความยุ่งเหยิงวุ่นวายถึงจะเก็บใครได้ป่วยขนาดนั้นท่านมองเห็นแล้วก็ยังสรุปแล้วก็คือลักษณะลำคาลําคาญนะนะขวางหงูขวางตามันไม่อิสระในการเป็นอยู่เพราะท่านอ ย, อยู่แบบอิสระตลอดมาท่านไม่ให้ใครมายุ่งเหยิงวุ่นวายกับท่านแต่เทปพอมันมีเรื่อง ก็จําเป็นเข้ามาเนี่ยท่านก็ไม่ไม่สปายะพูดง่ายๆไม่สปายะสําหรับองค์ท่านเมื่อวานก็ได้รับคําบอกกล่าวมาหลายสายเหมือนกันก็ลักษณะตรงกันที่ผู้อยู่ใกล้องค์หลวงตาแต่วันนี้ก็หลวงพ่อก็คงจะได้ถามไทยถ้าองค์หลวงตายัางทรงทรงอยู่ หลวงพ่อคงจะยังไม่เข้าไปถึงเข้าไปแล้วก็คงจะไม่มีอะไรแต่ว่ามีปัญหาจะต้องได้ปรึกษาปารภ ก, กันกับแพทย์กับหมอกับหมู่พระเข้าไปฟังดูเผื่อไปฟังแล้วก็ะแสดงความคิดเห็นเราจะทำยังไงเราจะช่วยยังไงเราจะปรึกษาปารภ ก, กันอะไรจะทำยังไงจึงจะดีขึ้ น, นก็ลักษณะอย่างนั้นให้เ้าว่าพี่น้อง พ่อแม่พี่น้องมีอะไรเกิดขึ้นก็นต้องหันหน้าก็าหากันปรึกษาปารรกกันแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเราจะแก้ไขอย่างไรในเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นนี้นี่นี่แหละหลวงพ่อเองได้พูดการปฏิบัติธรรมของพวกเราถึง ข้าวจวนเจียนหรือว่าข่าวเข้าสนามรบซะก่อนจึงมาฝึกเอ่จึงมาฝึกวิธีการใช้อาวุธมันจะไม่ทันการเราต้องฝึกไว้แต่นั่นเนิ่นลองผิดลองถูกสู้ไปสู้มาที่แรกก็สู้กับสิ่งที่ตัวเองต้องการบ้างไม่ต้องการบ้างปรารถนาบ้างในความรู้สึกของเรา พอใจไม่พอใจเราจะต้องสู้ไปตลอดเพราะเราใช้หลักธรรมหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหลักธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เข้ามาฝึกซ้อมในจิตในใจของพวกเราต่อไปมันก็ใหญ่ขึ้นใหญขึ้นผลลัพสุดก็นั่นแหะเวทนาตัวนี้นะมหาศาลเลยเราจะสู้ได้ยังไง ถ้าเราไม่ศึกษาถ้าเราไม่เรียนรู้แนวทางไว้ก่อนถ้าเราไม่ศึกษาไว้ก่อนพอเข้าสนามรบจริงๆมันก็จับผิดจับถูกไม่รู้จะจับทางไหนต่อทางไหนอาวุธที่จะใช้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดยายแก่ไม่เคยเข้าวัดเข้าวาจะเลยไม่เคยสนใจเรื่องพระพุทธศาสนาจะเลย ไม่เคยสนใจเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องกายเรื่องใจเป็นยังไงไม่เคยสนใจมีแต่สนใจหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นวันวันจะทำยังไงจึงจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองแต่ส่วนด้านจิตใจไม่ได้คิดแต่พออายุมากขึ้นมากขึ้นเดวความแก่ความชราพยาธิมรณะ มันไม่ได้เลือกใครเจ้าจะสนใจหรือไม่สนใจข้าไม่สนพยามัจุราชข้าจะกวาดต้นไปทั้งหมดผลที่สุดยายก็ไม่รู้ทำยังไงพอถึงขาวมันเขากลูกล้านก็สอนให้ภาวนานะ่ให้ดูจิตดูใจคนงตนเองนะ่จิตใจของตนเองเนี่แหละจะพาไปตกนรกหมกไหมจะไปเป็นเปรตเป็ น, ปนสัตติระชนัน ไปขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าก็คือใจนี่แหละให้ดูใจ้ยาย์เด้อให้ภาวนาไว้นะาให้บริกรรมไว้นะ่าขนาดเขาให้บริกรรมสัมมาอรหังสัมมาอรหังผลที่สุดกอยังพูดไม่ถูกเพราะไม่เคยเพราะไม่เคยได้ยินมาตกรเลยอันนี้คือคำอะไรแปลว่าอย่างไรมีความหมายว่าอย่างไงยายกาอายุแกอีกต่างหากสัมมาอรหังก็คือ ให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจา้าสัมมาอรหังอรหังอรหันตักอรหันตักสัมมาสัมพุทธเจา้าที่พระพุทธองค์วางพระพุทธศาสนาวางพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าเป็นบรมครูเลยลึกถึงบรมครูคือพระพุทธเจา้ายึดเป็นสาระเป็นที่พึ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังตัวเองมีแต่อาชีพขายหอย ขายหอยหน้าฝนก็ไปหาหอยในหนองในบึงในบ่อแล้วก็เอามาขายเป็นอาชีพพอตกหน้าแล้งกไปหาหอยจำศิลมันเข้าไงเข้ากับเข้าหมกอยู่ในดินใช้เสียมไปเลาะๆตามคันนาจากท่านก็เป็นเอาหอยมาขายเป็นอาชีพหน้าแล้งทั้งแล้ทงทั้งฝนเป็นอาชีพของยายผลลัพสุเขาว่า สัมมาอรหังผลในที่สุงเรเป็นอรหอยเพราะตัวเองไม่เคยไม่เคยสัมผัสอรหังคืออะไรได้เคยจะหอยหังหอยใกล้ๆ ก, กันผลนที่สุดก็เลยใจขาดอันนี้ก็คือเปรียบเทียบให้ฟังกันเมื่อเรายังน้อยหนุ่มเราควรจะเตรียมพร้อมเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจ ไม่ใช่ว่าแก่เท่าชลาแล้วจึงค่อยมางุมมาง้มมางามเออจะมาภาวนาเออมันไม่ทันการในขณะนี้เดียวนี้นี่งเดี๋ยวนี้วันนี้เรามันหนาวเรามันหนาวเราก็ทดลองนั่งภาวนาให้มันหนาวด้วยสิคำว่าหนาวคำนี้นคืออะไรเราแยกออกแยกกายออกจากแยกกิจออกจากความหนาวด้วยสิ มันแยกได้ไหมนี่แหละใครเขาว่าฝึกขัดอะไรแยกใจออกจากเวทนาเวทนาคือความหนาวเห็นได้ชัดนะมันหนาวแล้วใจของเราเนี่ยไปเป็นทุกข์กับมันไหมหนาวเนี่ยอะไรคือหนาวร่างกายหนาวใช่ไหมใช่ถ้าว่าคนตายไปละไม่มีวิญญาณไม่มีใจแล้วร่างกายนะมันหนาวไหมมันก็ไม่หนาวเพออราะเหตุใดเพราะไม่มีใจแต่นี้เราทดลองดูสิ เราออกจากเอาใจออกจากกายดูซิดูสิดูกายดูสิดูใจสิให้เข า, าเอาใจออกมาจากร่างออกมายืนอยู่ข้างนอกแล้วให้ดูกายให้ดูกายคนตนเองมันหนาวยังไงนี่แหละเป็นการฝึกฝึกทีละน้อยละน้อยพอต่อมากเจ็บแข้งปวดหัวไปวดท้องทุรนทุลายแล้วก็สู้ไปทีละน้อยละน้อย ผลที่สุดสู้ก็ทั้งใจจะขาดนะอใจจะขาดมาหายใจไม่อิ่มเอขมับกขมบขมับขม บ, บนะหายใจปลานะี่ะแล้วก็สู้จุด น, นั้นอีกไงเพอเหตุไรพอเราเคยสู้มาแล้วอสู้ทหารพยามอุลาร์ตแต่แต่มันเป็นเบบี้ขึ้นมาอวกันนะเราเคยเตะเคยต่อยมันพอแรงนะผลที่สุดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็ใ่ใจหมัดใ้มวยกับมันเหมือนกันเลยนั่นแหละมันจะต้องสู้ไป ตามลำดับลํำดับนี่แหละพอถึงสุดท้ายมากันนี่แหละอท <Yeah. S 1> หาร พ, พยามัจยุราชระดับไหนวะข้าจะต้องสู้มันทั้งหมดออ <Yeah. S 1> ข้ากับใจของข้านะ่ะไม่ทุกข์กับมันกับเวทนานะถ้าทําอย่างนั้นได้นั่นแหละเลิศประเสริฐแต่โดยมากมันไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ฝึกไว้แต่เนิ่นๆแล้วเราจะเป็นผู้ ราบคาบยอมแพ้ถึงท่านได้อัดได้ทำได้มักได้ผลเป็นพระอรหันต์ท่านก็ยังรู้อันไหนเป็นอันไหนแต่ท่านไม่ทุกข์กับมันท่านไม่ทุกข์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ท่านรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างพระพุทธเจ้าเดินทางไปถึงแม่น้ำฉีใกล้กรุง ยินาลาอานนท์พัผ้าสังคาติให้เป็นสี่ชั้น เ, เราตถาคตเหนื่อย ต, ถ า, ตถาคตจะพักผ่อนให้ปูผ้าสังคาติให้เป็นสี่ชั้นเราจะคตะถาคตจะพักผ่อนให้เธอไปนําน้ํามาถวายให้เธอไปนําน้ามาให้เราเราจะดื่มเราก็หาย ทั้งเหนื่อยดยทั้งกระหายด้วยนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธองค์ทําไหมถ้าจะว่าไปแล้วกับอาอนนท์รถคันนี้มันน้ามันจะแห้งแล้วนะรถคันนะี้รถที่เราขี่นะเรารถที่เรานั่งมาเนี่ยมันจะแห้งแล้วน้าน้ำมันจะแห้งแล้วให้เธอไปเอาน้ำมาเติมเพราะมันหมดกำลังแล้วหมดน้ามันหมดกาลังแล้ว ไปเอาน้ามานะอานนพระพุทธองค์ก็รู้แต่ท่านไม่ทุกข์กับกายท่านไม่ทุกข์กับร่างกายแต่ท่านรู้ว่าร่างกายนั้นมันจะทนไปนานจากเท่าไหร่นี่แหละท่านแยกได้กายกับใจอาศัยกันอยู่ใจนั่นแหละคือความมริสุดหลุดพ้นท่านยกเรื่องใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้า มโนปุพังขมาธรรมามโนเสธามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจพระองค์ในหลักของพุทธศาสนาท่านยกประเด็นใจเป็นเรื่องใหญ่แต่ส่วนร่างกายนั้นท่านเป็นเพียงแต่ปัจจัยอาศัยเหมือนเราอาศัยปัจจัยข้าวน้ำโภชนะอาหารยากแก้โรคภยัยไข้เจ็บอย่างนั้น คือร่างกายอาศัยปัจจัยสี่แต่ใจอาศัยร่างกายเป็นพาหนะเป็นผู้พาไปเป็นผู้พาพูดใจเป็นผู้คิดใช้ร่างกายเป็นผู้พาพาเดินพาไปในสถานที่ต่างๆในสิ่งที่พอจะเป็นไปได้พอที่จะร่างกายจะไปได้ใจตัวนี้ก็ บ, บังคับหรือกว่าใช้ให้ไปเท่าที่จะไปได้ สิ่งที่ไปไม่ได้ก็มีครักระโดดลงหน้าผาอย่างนี้กระโดดลงน้ำร่างกายก็ตายเหมือนกันนะแต่ใจบังคับให้กระโดดนะเหมือนกับคนโมโหโกธาผิดหวังนะกระโดดลงตึกตายนะอันนั้นก็คือบังคับให้ร่างกายกระโดดแต่ใจนะ่ะบังคับให้กระโดดกระโดดตึกตายนี่แหละ ใจตัวนี้แหละใจตัวที่บังคับเนี่ยนะพระพุทธองค์จะสอนใช้ธรรมะเข้าไปบังคับประคับประคองหรือบักหรือว่าออกไปเป็นเครื่องอยู่ถ้าใจดวงนั้นขาดการได้รับการแนะนําสั่งสอนที่ดีได้รับการแนะนําที่ดีอบ ร, นนรมที่ดีไม่ได้ฝึกฝนตนเองใจดวงนั้นมันก็จะหนักไปทางกิเลส กิเลสราคาบระบังโทสะบางโมหะบังโลภโกรดหลงจะเข้าสู่จิตใจดวงนั้นจิตใจตรงนั้นก็จะเต็มไปด้วยความผูกพยาบาทอาฆาตจองเวนมีทุกอย่างอยู่ในนั่นเทไงก็บอกกิเลสสรุปแล้วก็คือความชั่วความชั่วความเสียหายอยู่ในใจดวงนั้นแต่ถ้าเราใช้หลักธรรมคำสอนเข้ามาวิเคราะห์ให้เอาแสงสว่างคือปัญญา ในหลักของพุทธศาสนาเข้ามาส่องดูกำหนดดูพิจารณาดูเราจะเห็นได้เราจะรู้ได้ว่าใจของเราเนี่ยมันไปทางไหนแต่ละเวลาแต่ละวันแต่ละครั้งคราวเดี๋ยวนี้ใจของเรามันอยู่ในระดับไหนถ้าเราใช้ธรรมะมีสมาธิธรรมเมื่อมีสมาธิธรรมมีสติสัมปชัญญะพอมีสติสัมปชัญญะเลยจิตใจเป็นสมาธิ พอสมควรพอเป็นสมาธิแล้เกิดปัญญาปัญญาคลี่คลายันดูเหตุและผลในเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละขณะนั้ น, น, นเราก็จะรู้วิธีแนวทางโดวยวิธีทางออกทางเดินของใจของเรา ใ, ใจของเราก็ถ้าเดินทางถูกแล้วก็เหมือนกับเรารักษาโรค ยาถูกกับโรคอย่างนั้นจิตใจของเราก็มีเหตุมีผลร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในสถานที่ใดก็รู้เท่ารู้ทันรู้มันรู้ตัวรู้เหตุรู้ผลรู้สุกถึงทุกอย่างรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักยึดควรยึดอะไรควรปล่อยวางตัวไหนอย่างไรถ้าคนมีธรรมในใจแล้วจะอยู่ที่ไหนร่มเย็นเป็นสุขทั้งหมด รู้เท่าทันทั้งหมดไม่กระเสือกกระสนไม่บุ่นไม่วายไม่ทุกข์กับสิ่งที่มันมาเกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเราจะมองท ร, รมชาติท ร, รมชาติมันเป็นอย่างนี้โลกมันเป็นอยู่อย่างนี้ธรรมชาติของโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้รับพอนอนุโมทนาให้พอ